ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเช่อชูธรรมะความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆและสังคมข้อที่2พุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมบทบัญญัติในวินยัยซึ่งแสดงถึงเจตนารม์ที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้ความสำคัญแก่สงฆ์ที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้อีกอย่างหนึ่งได้แก่พุทธบัญญัติ ไม่ให้ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมคือคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติของมนุษยามันเช่นสมาธิฌานสมาบัติมรรคผลถ้าอวดโดยที่ตนไม่มีคุณวิเศษนั้นจริงคือหลอกเขายอมต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุแต่ถึงแม้ ว, ว่าจะได้บรรลุคุณวิเศษนั้นจริง ถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแก่ชาวบ้านหรือผู้อื่นใดที่ไม่ใช่ภิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นเป็นความผิดเพียงแต่เบาลงมาเป็นอาบัติปาจิตตีต้นเหตุที่จะให้มีพุทธบัญญัตินี้เกิดจากในคราวทุกภิกษัยภิกษุพวกหนึ่งคิดหาอุบายจะให้พวกตนมีอาหารฉันโดยไม่ลำบากจึงกล่าวสรรเสริญกันและกันให้ชาวบ้านฟังตามที่เป็นจริงบ้าง ไม่เป็นจริงบ้างว่าท่านรูปนั้นได้ฌานท่านรูปนั้นเป็นโสดาบันท่านรูปนั้นเป็นพระอรหันท่านรูปนั้นได้อภิญญาหกเป็นต้นชาวบ้านเลื่อมใสพากันบำรุงเลี้ยงภิกษุกลุ่มนั้นอย่างบริบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทงรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นห้ามโดยทรงตีเตียนว่าไม่สมควรที่จะอวดอ้างคุณความดีพิเศษกันเพราะเห็นแก่ท้อง และสำหรับผู้ที่อวดอ้างโดยไม่เป็นจริงทรงติเตียนอย่างรุนแรงว่าเป็นมหาโจรที่เลวร้ายที่สุดในโลกรอบบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมืองโดยฐานน่าขโมยพุทธบัญญัติอีกข้อหนึ่งในจำพวกห้ามอวดอุตริมนุษธรรมคือสิกขาบทที่มีให้ภิกษุแสดงอิธิปาฏิหารแก่ชาวบ้านภิกษุใดแสดงภิกษุนั้นมีความผิด ต้องอาบาต ท, ทุกกฎต้นเหตุเกิดจากเศรษฐีท่านหนึ่งเอาบาทไม้จันแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วประกาศท้าพิสูจน์ว่าใครเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์จริงก็ขอถวายบาทนั้นแต่ให้เหาะไปเอาลงมาเองราปินโลลภารัตวาชะได้ยินคำท้าประสงค์จะรักษาเกียรติของพระศาสนาจึงเหาะขึ้นไปเอาบาดลงมา ทำให้ชาวเมืองตื่นเต้นเริ่มใสกันมากพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามโดยทรงตำหนิว่าไม่สมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมะล้มสามัญมนุษย์เพราะเห็นแก่บาทที่เป็นของมีค่าต่ำทรงเปรียบการทำเช่นนั้นว่าเป็นเหมือนสตรีที่เผยอวัยวะพึงสงวนให้เขาดูเพราะเห็นแก่เงินทองของต่ำค่า ตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเหตุผลส่วนที่ปรากฏชัดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพรารพก่อนที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้ก็คือเป็นการไม่สมควรที่จะอวดคุณความดีและความเก่งกล้าสามารถพิเศษของตนเพราะเห็นแกล่ลาภสการะหรือผลประโยชน์ต่างๆแต่ในเวลาที่ทรงบัญญัติจริงปรากฏว่าทรงเปิดกว้างให้สิกขาบทนั้นมีขอบเขตครอบคลุมเหตุจงใจทุกอย่าง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 เราหันไปคิดพึ่งพาฝากความหวังไว้กับผู้อื่นสิ่งอื่นจนละเลยการเพียรพยายามทำตามเหตุผลที่เป็นวิสัยของตนดังนี้เป็นตน้นแต่สิ่งที่โวรพูดถึงในที่นี้ก็คือเจตนารมที่คำนึงถึงสงตามหลักการของพระพุทธศาสนาการดำรงอยู่แห่งธรรมวินยัยเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนั้นขึ้นอยู่กับสงที่เป็นส่วนรวม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 ในฐานะที่เป็นสงฆ์ให้ทานบำรงและสัมพันธ์กับพระภิกษุในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่งหรือเป็นตัวแทนผู้หนึ่งของสงฆ์ไม่ใช่ฐานะของบุคคลชื่อกอชื่อขอชื่อคอแม้ว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือบางรูปเก่งกล้าสามารถหรือบรรลุธรรมวิเศษความสัมพันธ์ของท่านกับประชาชนก็จะแสดงออกทางสงฆ์ หรือผ่านสงให้สงมีส่วนร่วมในผลสาเร็จของท่านด้วยคำที่พูดนี้พอจะมองเห็นไม่ยากในกรณีที่ภิกษุรูปหนึ่งมีความดีงามความสามารถพิเศษถ้าความดีงามความสามารถนั้นเป็นไปในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่งผลได้ที่มาถึงภิกษุรูปนั้นจะมีมาถึงสงด้วยหรือสงจะมีส่วนได้รับผลด้วย สงจะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปนั้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าความดีงามความสามารถของภิกษุนั้นแสดงออกในฐานะบุคคลผู้มีชื่อนี้โดยเฉพาะเป็นพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะภิกษุนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นแต่เป็นความเจริญเติบโตส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่มของตัวที่บรรรอนให้สงสุบโสมอ่อนแอลง การอวดคุณวิเศษของภิกษุย่อมทำให้ประชาชนรวมจุดความสนใจไปที่ภิกษุนั้นและหันไปทุ่มเทความอุปถรัรมภ์บำรุงให้แต่ในเวลาเดียวกันสงจะด้วความสำคัญลงภิกษุส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ขาดผลได้และสงส่วนรวมก็จะอ่อนกำลังลงด้วยเหตุนี้จึงมีตัวอย่างพระอรหันต์บางท่านในสมัยพุท ธ, ธกาล เมื่อความดีเด่นและความสามารถพิเศษของท่านปรากฏเป็นที่รู้ขึ้นและในเมื่อความสนใจต่อตัวท่านเปลี่ยนจากความสนใจในฐานะภิกษุรูปหนึ่งกลายไปเป็นความผูกพันในตัวบุคคลพร้อมกับมีล่าผลติดตามมาตัวท่านกลายเป็นที่รวมความสนใจแทนสงหรือเป็นเหตุให้ความสนใจต่อภิกษุส่วนมากและความสาคัญของสงลดลงท่านก็หลีกออกไปเสียจากที่นั้น พึงพิจารณาเรื่องพระอิศิทธะและพระมหกะในสังยุตตนิกายสลายตนวัครคกล่าวโดวยสรุปการอวดหรือบอกกล่าวอุตริมนุสธรรมคือคุณวิเศษของตนแก่ชาวบ้านแม้จะเป็นจริงก็มีผลเสียหายที่สำคัญแก่ส่วนรวมดังนี้หนึ่งทำให้ชาวบ้านตื่นเต้น ระดมความสนใจมารวมที่บุคคลผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวแทนสนใจสงดังเด็กเล่าแล้วและชาวบ้านผู้มีรู้ไม่เข้าใจก็จะคิดเปรียบคิดเทียบเกิดความรู้สึกดูถูกดูแคลนท่านอื่นกลุ่มอื่นอย่างถูกต้องบ้างผิดพลาดบ้างเป็นโทษแก่ตนเองและแก่พระศาสนาโดยส่วนรวมความข้อนี้สัมพันธ์กับข้อต่อๆไปด้วย 2เมื่อมีการอวดกันได้ไม่เฉพาะท่านที่รู้จริงได้จริงเท่านั้นที่จะอวดท่านที่สำคัญตนผิดก็จะอวดแต่ที่ร้ายแรงยิ่งก็คือเป็นช่องให้ผู้ไม่ละอายทั้งหลายพากันช่วยโอกาสอวดกันวุ่นวายชาวบ้านซึ่งไม่รู้ไม่มีประสบการณ์เองก็แยกไม่ถูกว่าอย่างไหนจริงอย่างไหนเท็จบางคราวที่เท็จมองในสายตาชาวบ้าน กลับเห็นเป็นอัศจรรย์น่าเชื่อถือกว่าอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญการหลอกหรือเล่นกลลวงชาวบ้านได้สำเร็จกันมามากข้อนี้สัมพันธ์กับข้อต่อไปอีก 3. ชาวบ้านระดับโลกิยะปุตุชนทั้งหลายมีความพอใจนิยมชมชอบต่างๆกันเต่นเต้นในต่างสิ่งต่างระดับกัน และผู้ที่บรรลุธรรมวิเศษก็มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติและความสามารถด้านอื่นๆต่างๆกันไปไม่ใช่จะมีคุณสมบัติที่พร้อมจะเป็นผู้นำตามรอยบาทพระศาสดาได้เหมือนกันบางท่านบรรลุธรรมวิเศษแล้วผู้สอนอธิบายไม่เป็นคล้ายกับพระปัจเจกพุทธะสู้แต่พระพหูสูตรที่ยังไม่บรรลุก็ไม่ได้เปรียบได้กับคนที่ได้ไปเที่ยวถิ่นห่างไกล เห็นมาด้วยตนเองกลับมาแล้วบางคนพูดคุยเล่าให้คนอื่นฟังไม่จับจิตจูงใจส่วนบางคนไม่เคยไปจริงเลยแต่เล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควน่าตื่นเต้นเหมือนอย่างคุณครูบางท่านสอนวิชาภูมิศาสตร์เมืองฝรั่งเก่งทั้งที่ตนเองไม่เคยไปหรือในด้านบุคลิกลักษณะบางท่านสำเร็จอริยผลแล้วก็จริง แต่รูปร่างไม่ชวนเลื่อมใสเช่นอย่างพระอาหารหันต์ชื่อละกุลตะกะพาทิยะผู้มีร่างเตี้ยคอมถูกพระนุ่มเนียนน้อยคอยล้อเลียนเย้าอยาอยู่เสมอจนพระพุทธเจ้าต้องทรงช่วยอนุเคราะห์ในกรณีเช่นนี้ท่านที่บรรลุจริงนั่นแหละเมื่อเขาบอกกลับจะทำให้คนไม่เชื่อหรือถ้าเชื่อเข้าก็เลยหมดหรือคลายความเลื่อมใสในพระศาสนาลงไป ส่วนคนที่ไม่ได้จริงแต่พูดคล่องหลอกเก่งลักษณะดีกลับนําฝูงชนสู่ทางผิดไปได้จำนวนมากข้อที่สี่เมื่อทันที่บรรลุจริงอวดด้วยสอนเก่งด้วยบ้างทันทีบรรลุจริงสอนไม่เป็นแต่อวดเข้าบ้าง ท่านที่ไม่รู้จริงสําคัญตนผิดคิดว่าบรรลุแล้วเที่ยวบอกเล่าไปบ้างท่านที่ไม่บรรลุแต่ชอบหลอกพูดลวงเขาไปบ้างต่อไปหลักพระศาสนาก็จะสับสนปนเปนฟันฟ่นเฟือนไม่รู้ว่าอันใดแท้อันใดเทียมบางท่านมีส่วนรู้จริงในประสบการณ์บางแง่บางอย่างแต่ทำอัฏถกับพยัญชนะให้เคลื่อนคลาจากกัน เพราะย่อนความรู้ทางปริยัตยก็ทำให้หลักธรรมสับสนพาคนเข้าใจเขวและเสียเอกภาพแห่งคำสอนของพระศาสดาความจริงนั้นการยืนยันความตรัสรู้เป็นภารกิจของพระศาสดาซึ่งเป็นผู้นำจำเป็นต้องประกาศหรือยืนยันในเมื่อจะทำหน้าที่ตั้งพระศาสนาและปกป้องพระศาสนานั้นพร้อมทั้งหมู่สาวก ส่วนหมู่สาวกภายหลังเมื่อสมัครเข้ามาก็คือยอมรับคาสอนของพระศาสดาแล้วการยืนยันหรืออ้างยิงจึงไปอยู่ที่องค์พระศาสดาและคําสอนของพระองค์ความรับผิดชอบในการสอนไม่อยู่ที่อ้างการบรรลุของตนแต่อยู่ที่สอนให้ตรงกับคําสอนของพระศาสดาหรือสอนตัวพระพุทธศาสนาแท้ ดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงมุ่งว่าจะสอนให้ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาความซื่อตรงต่อคําสอนของพระศาสดาเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จะวัดความถูกต้องของการสอนพระพุทธศาสนาไม่จําเป็นต้องอ้างการบรรลุของตนเป็นหลักเกณฑ์ตัดสินก็จะดํารงเอกภาพแห่งการสอนและเอกภาพแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมดเอาไว้ได้ อันหนึ่งเมื่ออวดคุณในวิเศษออกไปแล้วมีผู้เลื่อมใสเอาลาบสการะมาถวายของถวายนั้นกลายเป็นของที่ได้มาเพราะการพูดอวดนั่นเองทางพระวินยัยถือว่าเป็นลาบไม่บริสุทธิ์พูดให้ลึกลงไปอีกท่านว่าไม่ต้องกลัวว่าผู้บรรลุอริยผลแล้วจะมาพูดอวดอ้างหรือป่าประกาศ เพราะเป็นธรรมดาของพระอาริยะทั้งหลายเองที่ว่าท่านไม่อวดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่อวดว่าตนเป็นพระอาริยะก็คืออวดว่าไม่ได้เป็นอาริยะนั่นเองผู้ที่อวดคุณวิเศษที่มีจริงจะมีก็แต่ผู้ทุชนซึ่งได้คุณวิเศษขั้นโลกีเช่นฌานสมาบัติเป็นต้น